ไปเพึ่งพากันตั้งใจก mm hmm. ารเวลาไม่คอยท่ามันใกล้จะออกพรรษาแล้วนะ mm hmm. ต้องรีบเร่งทำความเพียรเข้าไปเพื่อให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางไป เราบวชเข้ามาก็ให้นึกว่าบวชมาเพื่อชำระกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจนี่แม่ผู้คลองเรือนก็เหมือนกันแหละการปฏิบัติธรรมอย่าไปมุ่งอย่างอื่นมุ่งเพื่อจะชำระกิเลสให้เบาบางไปถ้าไปมุ่งอย่างอื่นแล้วไม่ถูกทาง เนื่องจากว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตมันทำให้จิตเศร้าหมองคุนมัวทำให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ไม่รู้จะจกกบจกสิ้นก็เพราะกิเลสนี้เอง ไม่ใช่อื่นไกลอะไรดังนั้นเราต้องคิดต้องพิจารณาให้ดีกิเลสวัฏกรมมวัฏวิภากาวัฏวัฏ ต, ตะอนุนวัฏะสามต้องให้รู้จัก กประพฤติปฏิบัติธรรมนะกิเลสเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างกรรมดีหรือกรรมชั่วแน้วมันอำนวยผลให้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างท่านเรียกว่าวิปากวัฏคำว่าวัตตานี่ไหมคำว่า คนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นอเอา้าราคะโทสะโมหะเมื่อไม่ละมันแล้วมันก็บันดาลให้คนเราทํากรรมดีบ้างทํากรรมชั่วบ้างไม่ใช่ให้แต่ทํากรรมชั่วอย่างเดียวอะกรรมดีมันก็ให้ทํา เช่นอย่างว่าการทำนาทำสวนการค้าขายหาเงินหนาทองอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกรรมชั่วทั้งหมดหรอกกรรมดีก็มีคือเมื่อทำโดยสุจริตใจแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อตอนเองต่อครอบครัวและต่อส่วนรวมได้เหมือนกันก็หาเงินหาทองได้มาแล้ว ก็ต้องเสียภาษีให้รัฐบาลรัฐบาลก็ไปรวมเงินภาษีจากประชาราชนแล้วมาจัดสรรแบ่งให้จังหวัดนั้นบ้างจังหวัดนี้บ้างมาพัฒนาจังหวัดของตนนั่นการที่ประเทศชาติบ้านเมืองจะเจริญอยู่ได้ แล้วพุทธศาสนิกชนจะมีปัจจัยสำหรับมาบำรุงวัตรว า, าสนานี้ก็เพราะการทำงานนั่นเองเนี่ยแต่ว่าการทำงานของคนบางคนมันหักมุ่งไปทางผิดไป เช่นอย่างว่าตนเองหาเอาโดยลําพังความคิดความอ่านของตนเองด้วยกําลังกายของตัวเองไม่ได้แล้วมันก็คิดวางแผนไปยื้อแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเช่นนี้นะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความ ต้องการปราธนาทรัพสมบัติอันนี้ไปในทางที่พิษท่านเดียววัมิจฉาชีพเป็นสมณะเป็นนักบวชก็เหมือนกันเมื่อบวชเข้ามาแล้วเห็นว่าอยู่ไปอยู่ไปแล้วไม่มีอัติเรกกรลาบเห็นผู้อื่นมีอัติเรกกรลาบมากก็จิตก็คิดเป็นอกุศลขึ้นมา หาทางหลอกลวงชาวบ้านเขาให้ได้ลาบสการะมาบริโภคใช้สอยหมู่นี่ได้ชื่อว่าเป็นวิชาชีพเป็นนักบวชก็ชื่อว่าทำบาปเพราะอาชีพพูดง่ายๆดังนั้นให้พึงพากันตั้งใจไว้ผู้เป็นนักบวชเนี่ย อย่าไปคิดหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดอย่างนั้นเราต้องเชื่อบุญเชื่อวาสนาของตัวเองเมื่อตอนเองทำดีเข้าไปพูดดีไปคิดดีไปอาศัยคุณงามความดีที่ตนกระทำบําเพ็ญในปัจจุบันที่หนึ่งอาศัยบุญกุศลที่ตนทำมาแต่อดีตชาติท่นหลังหนึ่ง มาประกอบกันเข้ามันก็มีพลังโดนบันดาลให้มีอัติเลกกราบมาไม่ไม่อดอยากไม่ขาดเขินในปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งต่างคนเรามันต้องเชื่อบุญเชื่อก ร, รมหลักนี้อย่าไปทิ้งผู้ใดทิ้งหลักนี้แล้ว จิตใจมันก็ตกไปทางอากุศลอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเองเมื่อรู้ว่าตนมีบุญวาสนาน้อยที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนอย่างนี้นะมาในปัจจุบันนี้แสวงหาทรัพย์สมบัติปัจจัยอะไรก็ไม่ได้ไม่ร่ำไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาไม่อย่างนี้ เมื่อมานึกถึงว่าแต่ชาติก่อนตนค ง, คงได้ทําบุญกุศลมาน้อยอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนคนอื่นที่เขาร่ํารวยกลัวตนพอบุญของตนมันน้อยทําอย่างไรตนแต่ชาติก่อนนั้นตนมัวเมาประมาททําความดีอะไรก็ทำนิดนิดหน่อยหน่อย ได้ทำมากเหมือนอย่างคนบางคนแล้วเกิดมาชาตินี้นะจะให้ผลอันเกิดจากการกระทาความดีนิดๆหน่อยๆนั้นมาอํานวยให้มากๆอย่างนี้มันจะได้ยังไงอ่ะเหมือนอย่างบางคนปลูกมะพร้าวต้นเดียวอย่างนี้นะมันพีดอกออกผลมามันก็ได้แค่ต้นเดียวนั่นแหละมันจะไปได้หลายต้นยังไงเล่าเพราะว่าต้นปลูกต้นเดียวหนึ่ง อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยทนทําบุญนิดหน่อยหนึ่งจะให้มันได้ผลมากมันมาแต่ไหนอ่ะไม่ได้อ่ะไม่ว่าคารหัดไม่ว่านักปวดเหมือนกันผู้ใดทําหลายก็ได้หลายผู้ใดทําน้อยก็ได้น้อยดัยงนั้นถ้าอยากมีความสุขความเจริญ ให้มากๆแล้วก็ทำความดีให้มากๆเข้าไปอย่าเกียดคร้านอย่าปล่อยให้ชีวิตนี้มันล่วงโรยไปเสียเปล่าเพราะว่าชีวิตนี้มันมีขอบเขตจำกัดอย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าคนเรานั้นมันอยู่ในกรอบแห่งกรรมดีกรรมชั่ว ชีวิตนี้ก็อยู่ในกรอบแห่งกรรมดีกรรมชั่วเหมือนกันกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ตัวทํามาแต่ก่อนนั่นแหละมันมาหล่อเลี้ยงไว้ทีนี้มันก็หมดเป็นที่มันมีขอบเขตจํากัด่ผู้ใดทามาเท่าใดมันก็หล่อเลี้ยงชีวิตนี้ไปได้เท่านั้นแหละบุญกรรมะเหมือนอย่างบุคลรับประทานอาหารนี่แหละ ผู้รับประทานอิม่มเต็มอก้ามันก็อยู่ไปได้นานหน่อยถ้าผู้รับประทานน้อยอย่างนี้นะเดี๋ยวเดียวมันก็หิวอ่ามันก็เป็นอย่างนั้นเนะี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะบุคคลผู้ทำความดีแต่น้อยนะมันก็หิวความสุขอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่า ความสุขนี่มันเกิดจากบุญนี่จากความดีไม่ใช่เกิดจากอย่างอื่นนี่บางคนก็อาจจะว่าอ้าวความสุขก็เกิดจากความเป็นผู้มีเงินมีทองมากที่อันนี้ก็ถูกแต่ว่าพูดปลายเหตุอันนี้นะไม่พูดถึงต้นเหตุ เหตุที่เขาจะมีเงินมีทองมากก็เพราะเขาทำบุญนี่ต้นเหตุมันเนะนั่นแหละแต่นี่พูดถึงความสุขที่แท้จริงมันหมายเอาความสุขใจนันต่างหากสุขกายนี่มันจะไปสุขตรงไหนได้ลองพิสูจ ด, ดูสิ ถ้าขาดอาหารหล่อเลี้ยงสักวันหนึ่งนี้มันก็เดือดร้อนแล้วร่างกายนี่นะมันเป็นงั้นส่วนจิตใจนี่เมื่อบุคคลใดทำละกิเลสความชั่วร้ายออกไปจากดวงจิตนี้แล้วจิตนี่ก็เป็นสุขสบายสม่ำเสมอไปอมแม่จะละ ร่างอันนี้ออกไปแล้วก็เป็นสุขสบายไปผลแห่งความดีที่ตนทานั้นความชั่วที่ตนละมันทิ้งไปเสียแล้วมันก็ไม่ได้ติดตามไปสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปอีกตนสะสมแต่กรรมดีเข้าใส่ไว้ในดวงขีดนี่กรรมดีนี่มันก็ติดสอยห้อยตามไปอำนวยความสุขให้ทุกแห่งทุกผล ที่ไปเกิดในสถานที่นั่นนั่นนี่หมายถึงบุคคลผู้ต้องเกิดอีกอยู่ให้พึงเข้าใจถ้าผู้ใดได้บุญกุศลเป็นเพื่อนแล้วไม่ต้องเสียใจสำหรับชาตินี้ก็เมื่อรู้บุญวัดนานาบุญของตนมีเท่าไรแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ตนพยายามทำความดีให้มากไป อาศัยชีวิตอันมีประมาณน้อยนี่แหละเป็นกำลังเป็นปัจจัยให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับสร้างบา ร, รมีก็ว่าอา้าวทานบา ร, รมีเราให้ทานไปตามมีตามเกิด เท่าที่ปัจจัยที่หามาจะพึ่งอำนวยให้ได้เท่าไรก็ให้ทานไปเท่านั้นแหละแต่ข้อสำคัญนีนเราก็ให้อภัยทานบำเพ็ญอภัยทานนี่สำคัญใครล่วงเกินตนมาตนก็ให้อภัยไปไม่ตอบโต้ไม่โกรธนี่ อดเอาทนเอาผู้ใดอดได้ทนได้มันก็เป็นขันติบรารมีนี่ขันติโกตะัปะสิโนขันติความอดทนเป็นเครื่องแผดเผากิเลสบาปธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจนี้พระศาสดาทรงตรัสว่า ความอดทนนี้ก็เป็นเดชอันหนึ่งเป็นอํานาจอันหนึ่งสําหรับที่จะเผาผลาญกิเลสอันมีอยู่ในหัวใจเนี่ยให้มันน้อยเบาบางไปเมื่อปัญญามันไม่สามารถจะละกิเลสสอนใจใละกิเลสอันนั้นได้แล้วสุดท้ายก็ใช้ความอดทนอดกั้น เมื่อเราอดไม่คิดไม่ปรุงแต่งมันไปกิเลสมันก็เกิดขึ้นมีกำลังกล้าไม่ได้มันก็อ่อนกำลังลงนี่เรียกว่าเป็นอำนาจอันสุดท้ายได้แก่ขันติความอดทนเพราะว่าปัญญามันมีน้อยนี่ไม่สามารถจะเอาชนะ กำลังของกิเลสที่มันมีเหนือกว่าแลว้วก็ใช้ขันติความอดทนนี่แหละสู้เอาเช่นความรักมันเกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะเมื่อปัญญาไม่สามารถจะพิจารณาให้มันเบื่อมันนายต่อสิ่งที่ตนรักนั้นได้ก็อดกั้นทนทานเอา ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไปมันพอใจเราก็ห้ามไม่ให้มันพอใจในรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสดันั้นก็ต้องอดต้องทนเอาอย่างนี้แหละเมื่ออดไปทนไปอำนาจแห่งความอดนี่ มันนักเผากิเลสราคะตัณหานี่ให้เบาบางไปในตัวมันนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสภาสิทธิไว้นั่นแหละให้พากันเข้าใจนี่แหละการบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญบารมีไม่ใช่ว่าจะหมายเอาว่าต้องให้วัตถุเข้าของเป็นทาน มากมากจริงๆชื่อว่าทำบุญมากไม่ใช่เขาด่ามาเราไม่ด่าตอบอย่างนี้นะเราอดทนเอานี่มันก็เป็นบุญกุศลอยู่แล้วอัออนโมนี้แหละเห็นสมหวติเขามองมากอย่างนี้ก็ห้ามจิตตัวเองไว้อย่าไปให้มันอยากได้ของเขา ทมความรู้สึกในใจของตนเองว่าตนมีเท่าไรตนก็จะบริโภคเท่านั้นแหละจะไม่ไปทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้สมบัติปืนมาเป็ของตนเลยการที่มีอุบายแยบพาในใจอย่างว่านี่ไม่ให้จิตมันคิดโลภเพ่งเล่งโลภเร่งเพ่งเร็งไปในสมบัติผู้อื่น ห้ามจิตนี้ได้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่น้อยฮะให้พากันเข้าใจก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วว่าคำว่า ก, กุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดละความชั่วทำความดีให้ได้นี่นะนี่แหละคือบุญกุศลอันสูงนะนี่นะบุญกุศลชั้นสูงไม่ใช่ชั้นต่า มันยากที่บุคคลจะทำได้มีคนจำนวนน้อยที่ทำกุศลได้นี่ดังที่เราจะเห็นได้ว่าคนที่นับถือวระพุทธศาสนานี่ที่จะเข้าวัดเข้าวาจำสินห้าสินุโบสถอยู่ในวัดชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้ก็มีน้อยนิดเดียวหนึ่ง คนที่ไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีล น, นั้นมีมากเหลือเกินเดี๋ยวคนที่เขายกโทษตีเตียนมาเขาด่ามาแล้วที่จะอดทนต่อคำด่าอันนั้นได้ไม่ต้องด่าตอบนี่กับแม่มีน้อยเต็มทีหาได้ยากแม้แต่นักบวชบางรูปบางร่างก็ยังไม่ไหวนี่ ก็ยังไปตอบโต้ผู้อื่นอยู่เมื่อถูกนินทาว่าร้ายต่างๆอย่างนี้นะแต่ปเป็นนักบวชแท้ๆยังไม่อดไม่ทนแล้วชาวบ้านจะไหวหรืออันนั้นธรรมดาเป็นนักบวชนี่มันต้องอดทนต่อคำด่าว่าเศรยสีต่างๆนั่นนา อดทนต่อความอดความอยากความลำบากกลากกรรมต่างๆหมูนี้พระพุทธเจ้าสอนให้อดทนทั้งนั้นแหละเพราะเราเป็นนักบวชเราไม่ได้ทำมาค้าขายด้วยกำลังขากำลังสติปัญญาของตนเองได้ชีวิตของเรามันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นในปัจจัยซี ดังนั้นจะให้มันได้อะไรตามใจหวังตามความต้องการมาแต่ที่ไหนเมื่อเขามีศรัทธาให้อย่างไรเขาก็ให้อย่างนั้นหรือของของเขามีอย่างไรเขาก็ให้อย่างนั้นเราเป็นสมณะในผู้รับทายทานของชาวบ้านเขาเราก็ทำใจเป็นกลาง เมื่อเขาให้อย่างไรมาเราก็ต้องยินดีบริโภคใช้สอยอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องน้อยเนื้อตามใจว่าเขาไม่ได้ให้สิ่งที่ตนต้องการอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เขาไม่รู้ความประสงค์ของเราเนี่ว่าเราต้องการอะไรเขามีอย่างไรเขาก็ให้อย่างนั้นเป็นธรรมดา แล้วก็ต้องอ่านจิตใจของชาวบ้านให้มันออกอันพวกเป็นนักบวชเนี่ยแล้วก็อ่านบุญวาสนาตัวเองให้มันออกเมื่อตอนเองได้ให้ทานอะไรต่ออะไรมามากมายแต่ชาติก่อนนู่นผลมันก็มาอำนวยให้ในชาตินี้ปัจจัยทั้งสี่เครื่องอาศัยก็ไม่อดไม่อยาก เพราะว่าตนทำ ม, มามากนี่ก็เมื่อตนทำบุญกุศลให้ปัจจัยทั้งสี่เป็นทานมาแต่ชาติก่อนน้อยไปอย่างนี้นะเกิดมาชาตินี้ผลมันก็มาอำนวยให้น้อยเมื่อออกบวชมาก็ไม่ค่อยอุดอมด้วยปัจจัยอัติเลขะราบต่างๆนี่มันก็เป็นธรรมดา นี่เราทรงนึกให้มันได้พิจารณาให้มันเห็นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจไม่มัวไม่ต้องไปมัววิตกวิจรณ์กับตั้งแต่ปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นข้อสำคัญเรามาทําใจให้สงบลงไปนี่อันนี้สำคัญมากส่วนปัจจัยภายนอกนั้น แต่มันพอประทังชีวิตเป็นอยู่ไปชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งแล้วก็เอาแล้วอพอสำคัญเรามาทำใจให้สงบกันมาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นชำระกิเลสตัณหาน้อยใหญ่อันมีอยู่ในใจนี้ให้เบาบางไปหมดไปสิ้นไปอันนี้สำคัญมาก เพราะว่าเมื่อกิเลสตัณหาหมดไปเท่าใดทุกทางใจนี่มันก็หมดไปเท่านั้นอันทุกทางกายนี่ไม่ไหวแม้ว่าใครจะบำรุงร่างกายอันนี้ด้วยอาหารการบริโภคปานิชบรรจงอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนอยู่นั่นแหละมันก็แปรปวนไปอยู่อย่างนั้น ซึ่งไม่เหมือนอย่างดวงใจดวงใจอันนี้เมื่อเราบำรุงด้วยบุญด้วยกุศลความดีต่างๆมากเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยังมีความสุขความสบายใจความสงบใจก็มากขึ้นเท่านั้นความรู้ความฉลาดก็มีมากขึ้นเมื่อเราสะสมบุญกุศลให้ม า, มากเข้าไปแล้วนะมันเป็นเช่นนั้น บางคนก็ว่าเอออาศัยก็อะไรก็อาศัยแต่บุญอาศัยแต่บุญอย่างเดียวนั่นแล้วตนไม่ศึกษาเราเรียนตนไม่ทำมันจะรู้หรือมันจะได้หรืออันนั้นก็จริงอยู่ไม่ปฏิเสธไม่ค้านหลั ก, การศึกษาเราเรียนนะั่นนะแต่ว่าลองสังเกตดูสิบางคนเรียนแทบตาย ไม่ได้เลยก็มีอยู่บางคนเขาเรียนไปเขาก็ไม่ได้ออกแรงเท่าไรเขาก็ท่องได้จำได้แม่นยำดีเอเหล่านี้นะเป็นเพราะอะไรเล่า้วต้องคิดดูให้ดีนั่นแหละมันเป็นเพราะกรรมคือการกระทำมันแตกต่างกัน ตั้งแต่ชาติก่อนนูน้นบางคนก็มัวเมาขี้เกียจขี้คันในการเรียนในการฟังไม่เอาไหนในการเรียนการจำํำวิชาความรู้ในทางโลกก็เหมือนกันบางคนไม่เอาไหนจริงๆนั่นแล้วเมื่อเกิดมาในชาตินี้นะนิสัยอันนั้นมันก็ติดตามมา เกิดมาชาตินี้มันก็จึงได้อัดอั้นตันปัญญาเพราะตนขี้เกียจขี้ค้านศึกษาเราเรียนมาแต่ชาติก่อนนู่นวมานี้บางคนเจ้ชาติก่อ น, น, นเขาก็สนใจในการเรียนการจามาติช่าความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมก็ไม่เบื่อไม่นายอย่างนี้ แต่ว่าบุญวาสนาบา ร, รมีมันยังไม่เต็มก็ยังละ ก, กิเลสไม่หมดก็ต้องมาเกิด อ, กอีกอานิสงส์แห่งการฟังการศึกษาเ่าเรียนท่องบนจดจําเอาพิชาความรู้ต่างๆนั่นนะมันก็ติดตามมาอํานวยผลให้ให้เป็นคนผู้มีสติมีปัญญาดีเป็นผู้สนใจในการศึกษาเราเรียน เรียนก็จำได้ง่ายดีก็เพราะว่ามันเคยฝึกตนมาแต่ก่อนนน้นนะเคยเรียนเคยจำมานิสัย น, นั้นน่ะมันติดตามมาน่ะมันทําให้คนเรานั้นเป็นคนรู้ผู้รู้ผู้ฉลาดขึ้นมาได้นี่เพราะฉะนั้นคนเราน่ะมันถึงได้มีความเป็นอยู่แตกต่างกัน พูดถึงการศึกษาเราเรียนจึงแตกต่างกันให้พึงเข้าใจไม่ใช่ว่าเกิดมาชาตินี้นะเป็นคนผู้รู้ผู้ฉลาดเองโดยไม่ได้อาศัยปัจจัยแต่หนหลังเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะอให้เข้าใจอาศัยปัจจัยแต่หนหลังเนี่ย ตนพอใจเรียนพอใจท่องบนมาแตกชาติก่อนนู่นนั่นเป็นปัจจัยดังนั้นทุกคนให้เพิ่งเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อต่อการกระทำของตัวเองอย่าไปเชื่อลมหลมแรงแรงไปถ้าคนเราไม่ต้องอาศัย บุญกุศลความดีแต่ก่อนแล้วทุกคนมันก็เหมือนกันหมดสิถ้ารู้ฉล า, าดก็ฉล า, าดเหมือนกันหมดเรียนอะไรก็จำได้เหมือนกันหมดถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันหมดนี่ถ้าหากว่าไม่ไม่ตรงอาศัยบุญกรรมบาปกรรมแล้วชีวิตคนเรานี่มันก็จะเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยทีดียวนัน ต้องพิสูจร์ดูให้รู้ให้เห็นด้วยตนเอง เ, ออเมื่อตอนรู้ตนพิสูจร์เห็นเหตุผลของชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็จะพยายามขยันหมั่นเพียรเข้าไปทําความดีนะเ อ, อเอาตนเชื่อมัน่นในทานในผลของทานว่าเช่นอย่างว่าให้ทานเข้า น้ำอย่างนี้นะเกิดไปชาติเดียก็จะไม่ชาติใดพบใดก็จะไม่อดข้าวอดน้ําเลยนี่ก็ทําทานไปสิถ้าตนเชื่อมั่นลงไปอย่างนั้นนะเมื่อตนได้ให้ผ้านุ่งผ้าห่มเป็นทานไปอย่างนี้เชื่อมั่นว่าเกิดไปชาติใดพบใดก็จะไม่อดผ้านุ่งผ้าหม่ม เช่นนี้นะก็ลงมือขอนขวายหาผ้าผ่อนมาให้ทานสิก็อย่างนั้นแหละถ้า ถ, ถ้าผู้ใดเชื่อน ะ, อะ <c oughs> ถ้าว่าตนขวนขวายเ้าถ้าไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอเห็นคนอื่นเขาสร้างเสนาสนะกุติวิหารโบสถ อะไรถาวายไว้ในพุทธศาสนานี้เช่นนี้ตนมีกําลังทรัพย์เท่าไหรก็ไปอนุโมทนากับเพื่อนเข้าไปหรือตอนมีกําลังกายมีโอกาสก็เอาไปช่วยการช่วยงานในวัดว่าอารามเข้าไปอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ได้ร่วมก็ได้ร่วมกับผู้อื่น สร้างเสนาสะนะที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นทานเกิดไปชาติใดพบใดก็มไม่อดที่อยู่มีที่อยู่มีที่อาศัยเป็นหลักเป็นแรงออันนี้สงแห่งการสร้างเสนาสะนะให้เป็นทานจนเกิดไปชาติใดไม่มีโรคภัยเบียดเบียน เพราะรู้จักว่าการให้ยาเป็นทานนี่ผลแย่งการให้ยาเป็นทานนี่มันก็จะอำนวยให้เกิดไปชาติใดก็จะมีสุขภาพอนมามัยดีปราศ จ, จากโกครคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงต่างๆและประกอบกับเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น ทรมานตัดอื่นเว้นจากทรมานตัดอื่นให้ได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานต่างๆหวดนี่นะถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดพอใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดอื่นเช่นทุกตีให้มันเจ็บมันปวดเอ ไอ้มันทนทุกทรมานจนกลัวจะตายอย่างนี้นะอันนี้แหละกรรมนี้มันจะตามไปสนองเอาเกิดไปชาติใดก็มีแต่โรคภัยอันร้ายแรงเนะบียดเบียนร่างกายรักษาอย่างไรก็ไม่หายเหมือนอย่างในนิทานเมียน้อยเมียหลวงพระพุทธเจ้านำมาแสดงไว้ เมียหลวงไปอิดฉาเมียน้อยแบบนี้เอาหมักตำแหน่ไปขุใส่ที่นอนของเมียน้อยอนนเมื่อเมียน้อยไม่รู้ถึงเวลานอนก็เข้าไปนอนพอ น, นอนลงไปแล้ว มันก็เกิดคันคลายขึ้นมาคันเอาซะเต็มที่เลยเก๋าเอาจนาน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลอย่างนี้เนียอา้าวกรรมนั้นมันก็ติดตอย้อยตามพอมาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ก็ามาเกิดในตระกูลกษัตริยราชนั่นเองเ่ย มาเป็นน้องสาวของท่านพระอนุรุทธะชื่อว่านางโรหิณีพาจเจริญไว้ใหญ่โตเป็นสาวเป็นแซ่ขึ้นมากำนั้นตามมาสนองเอาถ้าไม่เกิดตุ่มผูกพองทั่วตัวรักษาอย่างไรก็ไม่หายพระพี่ชายพระอนุรุทธะ ท่านจึงแนะนำให้รวบรวมเงินทองที่มีเอามาสร้างหอฉันถวายสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเสียนางก็ทำตามเมื่อสร้างหอฉันเสร็จแล้วก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาทำบุญฉลองเดี๋ยวมาฉันพระตาหาร ที่ศาที่ศาลาหอฉันนั้นเมื่อพระ อ, องค์เสด็จไปถึงชำเลืองพระเนตรกรวดดูไม่เห็นนางโลหินีมาในที่ชุมนุมนั้นประทึงตาางไไรัสถามว่านางโลหินีไปไหนมีผู้กราบทูลว่านางโลหินีอยู่ในห้อง ไม่กล้าออกมาระอายเพราะร่างกายไม่เหมือนคนอื่นก็ อ, องก็ทรงรับสั่งว่าให้ไปพาออกมาให้ได้้ะมีผู้ไปเชือเชิญ อ, ออกมาเฝ้าพระศาสดาพอออกจากห้องเดินมาพอเห็นพระศาสดาเท่านั้นเลยก็ จิตใจก็เกิดปีติอย่างแรงกล้าโรคภัยที่มีอยู่ในกายก็หายไปหมดเลย <Ừ. S 1> เหมือนปิดทิ้งอย่างว่านั้น <Ừ. S 1> เป็นตุ่มเน่าผุพองน้าเหลืองไหลเยอะหมดนั้นหายไปร่างกายก็เรียบเป็นปกติไปเลยอันนั้นเรียกว่า เข้าใจว่ากรรมเวรที่มันตามมาสนองน่้นะมันจะหมดอายุลงในคราวนั้นจึงบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้น <c oughs> นี่แหละเรื่องกรรมเรื่องเวรนะเรื่องการทรมานบุคคลอื่นให้ได้รับทุกขเวทนาเนะี่ยกรรมเวรนั้นมันตามสนองเอาจริงๆดังนั้นบุคคล ไม่ควรยึดถือความโกรธความอิจฉาและอสีหฐาต่างๆมานี้ไว้ในใจแม้แต่ใช้คำหยาบโลนด่าว่าเสียดสีผู้อื่นเฉยๆเนี่ยไม่ถึงกับลงไม้ลงมือมันก็เป็นคำเป็นเรียนเหมือนกันนะอ่าอนี่ยเกิดไปชาติใดพบใด ก็มีแต่คนเขาด่าว่าเสียสีแม่ไม่ไปทําให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนก็าตามพรากรรมที่ตนทํามาแต่ก่อนตนเคยด่าว่าเสียสีผู้อื่นมาแต่ก่อนนู่นมันตามมาสนองเอาอืมันโดนบันดาลให้คนอื่นนั้นมองเห็นตนนั่นหน้าเกลียดหน้าช่างอยากแกด่าอยากแกว่าอยู่อย่างงั้นอื เเขาด่าเขาว่าเข้าไปแล้ ว, วกโกรธวันนี้นะก็ด่าตอบเขาไปมันก็เลยเป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปอีกแล้วว น, นี่นั่นวาจานี่เป็นเอกนาะระวังให้ดีพระพุทธเจ้านือนักปราชญ์ทั้งหลายท่านยกวาจานี่เป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีนั่นเพราะวาจานี่มันก็ออกมาจากใจ ไม่ใช่มันมาจากที่อื่นเมื่อใจมันชั่วใจดําเอามาเหตุแล้วการกล่าววาจาอะไรออกมาภายนอกนก็เป็นวาจาหยาบภายเป็นวาจาเสียบแทงจิตใจผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจนี่คนใจดํามาเป็นอยังไงนะ น, นั่นแหละมันเป็นกรรมบินเวรให้เข้าใจ ให้เพิ่งชำละใจของตนในผ่องใสยอยู่ด้วยเมตตากรุณาอย่าไปลำเอียงรักคนโน้นเกลียดทางคนนี้ออย่างนั้นนี่มันไม่ใช่วิถีทางของนักปราดเป็นวิถีทางของคนพานอันนนนะเราจะเป็นนักปราดหรือจะเป็นคนพานนั่นต้องถามดูตัวเองเข้าไป ถ้าชอบจะเป็นคนพานล้วก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรเลยตนสร้างความชั่วใจตัวตนก็ต้องไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินุ่นเลยเกิดมาเป็นคนก็อย่างว่านะนะั่นแหละบาปกรรมอนนั้นยังไม่สิน้นมันก็ตามมาสนองเอาไปไหนก็มีแต่คนเกลียดคนชังตอนนั้นยังไม่รู้ตัวมัไปคิดตอบโต้ผู้อื่น ไปสร้างเวนใหม่สืบต่อไปอีกถ้าพอไดรู้ตัวอย่างว่านั้นแล้วะลึกได้โอ้คงจะเป็นกรรมเป็นเวรของเราที่เราได้ทํามาแต่ก่อนแล้วอยู่ที่ไหนไปที่ไหนจึงมีแต่คนเกลียดชังคนที่จะรักใครเอ็นดูนั้นมีน้อยเต็มทีคนเกลียดชังนะั้นมีมากอย่างนี้คงเป็นกรรมเป็นเวร ของเราเลยแต่ชาติก่อนเราคงไปด่าว่าเสียดสีผู้อื่นให้เจ็บปอกเจ็บใจมาเอาละชาตินี้นะเราจะไม่ด่าว่าใครเราจะมีเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมอเราจะไม่ผูกโกรธไว้ในใจอธิษฐานใจละกิเลสเหล่านี้ไปเรื่อย ต่อจากนั้นก็สังวรระวังมีสติสัมปัญญะสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจไปเสมอเสมอไปอย่าให้ความโลภความโกรธมันครอบงมใจได้เมื่อนตนละมันออกไปแล้วก็ละจริงๆอย่าไปสร้างมันขึ้นมาอีก ก็อย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เพิ่งเข้าใจ <c oughs> เรามาถือเอาดวงกีดดวงนี้นะเป็นหลักนะ <c oughs> <c oughs> เราทำความดีอะไรด้วยกายก็ดีพูดดีอย่างไรด้วยวาจาก็ดี ก็เพื่อให้จิตตรงนี้มันสบายอย่าให้มันมีกรรมชั่วมารบ ก, กวนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนให้ตั้งเป้าหมายลงอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่มีจุดหมายอย่างว่านี่นะนั่นแหละมันจึงสะสมแต่ความโลภความโกรธความหลงให้หนานแน่นในจิตใจถ้าผู้ดใด เมารู้อย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่สะสมแลอืมนั่นนะก็ต้องเป็นผู้สำรวมจิตใจเสมอๆไปทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาเข้าสังคมใดๆก็ดีก็ต้องระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนไว้ อย่าให้จิตมันวอกแวกให้จิตมันหนักแน่นตั้งมัน่นต่อความดีไว้จนทําความดีมาอย่างไรกอใจตั้งมั่นอยู่ในความดีความดีอันนั้นเนี่ยไว้เมื่อใจมันตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลความดีอย่างว่านั่นแนวบุญกุศลเนี่ยเป็นเกราะป้องกันตัวนะอืม ใครด่ามามันก็ไม่รู้สึกโกรธเคืองง่ายๆเพราะบุญกุศลมันเป็นเกาะป้องกันตัวอยู่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะใครยกโทษติเตียนใครไม่พอใจอะไรหาเรื่องอิจฉาดิฉยาย y ่ u ให้โกรธก็ไม่โกรธคนมีบุญเป็นเครื่องอยู่คนมีปัญญาอเป็นอาวุธ ประหัตประหารความโกรธความไม่พอใจต่างๆให้ออกไปจากดวงขิดนี้เลยโดยที่อย่างที่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบอดกั้นทนทานไปก็อย่างนี้แหละการละกิเลสให้เข้าใจ เมื่อมันไม่มีเหตุมากระทบกิเลสมันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจนุ่นจเจ้าอะไรมาละกันแล้วไม่มีอันจะละอะมันเป็นยังไงผู้ผู้จะละกิเลสได้มันก็เพราะว่ากิเลสมันฟูขึ้นมาในใจมันมีเหตุภายนอกนันมากระทบเอาเมื่อรู้ว่าเออกิเลส มันเกิดขึ้นในใจแล้วตนหลงสร้างกิเลสขึ้นมาแล้วเห็นหน้าเห็นตาของกิเลสนั่นแล้วละมันเลยวะนี้นะอดกั้นทนทานอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะเขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบแล้วอดเอาเอาเราจะละกิเลสอันนี้แบบนี้นะกิเลสนี่มันทำทุกข์ให้แก่เรามานับชาติในทวนแล้วใครจะด่าก็ด่าไปใครจะว่าก็ว่าไป เราจากไม่วันไว้หาปเอาวายปัญญาสอนใจของตนเรื่อยไปถ้ามันเห็นโทษอย่างความโกรธความทะเละวิวาทต่างๆงหมดนั้นนะเมื่อมันเห็นโทษก็ไปอย่างนั้นนะมันก็ไม่สะสมแล้วกิเลสเหล่านี้นก็สอนใจให้ละหรือไม่แสดงก็อดกัน้นไม่รู้อํานาจแก่กิเลสเหล่านั้น หรือมีแสดงกฏเจริญปัญญาพิจารณาร่างกายสังขารอย่างที่เคยแสดงมาแล้วหลายครั้งหลายหนทีเดียวพอเมื่อบุคคลมาเห็นร่างกายอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาด้วยอำนาจแห่งปัญญาจริงๆแล้วความโรคความโกรธความหลงอะไรมันก็เบาบางไปอ ก็มันจะไม่เบายังไงแล้วพอเมื่อมันปัญญามองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแล้วอันความที่อยากจะไปโลภเลร่งเพ่งเร็งเอาสมบัติของผู้นั้เป็ของตนมันไม่มีแล้วไปโลภทำไมเป็นบาปโลภเอาเข้าของเงินทองมาก็เอามาเลี้ยงร่างกายอันนี้ผู้เสวยบาปก็เป็นใจแบบนี้นะอัน มันรู้อย่างนี้แล้วมันจะไปโลกออกมาทาไมอ่ะโกรธก็เหมือนกันนะโกรธเพื่อนเอาใช้ากายไปทุบไปตีเพื่อนไปทำลายชีวิตของเพื่อนในย่อยยับลงไปแบบนี้ร่ากายเป็นผู้ไปทำร้ายผู้อื่นแต่จิตใจเป็นผู้เวยทุกข์มันเกิดจากการกระทำบาปนั้น การไปทุบไปตีผู้อื่นด้วยกายนั้นใจใเป็นผู้เสวยทุกข์แบบนี้นะอย่างนี้นะตนหลงเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาไม่ทำบุญกุศลไม่ลา ก, กิเลสออกจากกิจใจเอา้าเมื่อไม่ทำบุญมันก็บุญมันก็ไม่มีที่จะเอานวยความสุขให้ นั่นแหละเพราะความเห็นผิดว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปบุญก็ไม่ทำบาปก็ไม่ละวะนี่ไม่ได้สะสมบาปก็ไวบาปนันก็มาตามสนองให้เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์ไปไม่หยุดไม่ยั้งแล้ววะนี้นะไม่ทราบเมื่อไรจะพ้นได้เพราะทนไม่มีบุญนะไม่ได้ทำบุญได้เลยนั่นแหละบาปมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์เรื่อยไปอยู่งั้นเนี่ย อันนี้ล่ละสนเรียกวิปากาวัตใช้พากันเข้าใจกิเลสสวัตวิปากาวะกรรมวัตวิปากาวัตนี่กิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลเหตุให้คนเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดดื่มสุ ร, ราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีน แล้วันนี้กิเลสเหล่านี้ทําให้คนเราทํากรรมชั่วต่างๆนี่มันนี้กรรมชั่วเหล่านี้มันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติต่างๆถ้ากรรมมันมากมันก็นําไปสู่นรกถ้ากรรมมันเบากลัวนั้นมันก็ทํานําไปเกิดเป็นเปรต เ, เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้สวยทุกข์ทนทรมาน อยู่ในภพที่เกิดดังนั้นอันนิทานียว่าวิบากวิบากของกรรมนั่นเลยจะว่าทำบาปไม่ได้บาปยังไงแล้วพระพุทธเจ้าเห็นแจ้งกระจัรด้วยพระปัญญาอันยิ่งแล้วนี้ถ้าผู้ใดไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรูของพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เลย หรือว่าผู้ใดไม่มีปัญญาสามารถพิสูจน์ดูความดีความชั่วที่ตนสร้างขึ้นปัจจุบันนี้ได้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าคำดีคำชั่วเนี่ยมันมีปัจจุบันเนี่ยทําไมจะไม่มีเช่นอย่ามึกโกรธขึ้นมาในใจอย่างนี้นะใจก็ดั่มใจก็ร้อนนี่ย อันนี้จะไม่ว่าเป็นความชั่วหรือจะว่าเป็นความดีอย่างนั้นเหรือไม่ใช่จะเป็นความดีได้ยังไงอ่ะเพราะมันทำใจเป็นทุกข์เดือดร้อนทำใจให้เศราหมองนี่นี่อยากจะดูความชั่วก็เพ่งดูปัจจุบันนี้ก็ได้เวลามันเผลอๆแล้วไปโกรธขึ้นมาในใจนะเออความชั่วนี่มันความโกรธนี่มันชั่วอย่างนี้เนาะมันไม่ดีอย่างนี้ เอาละเราจะละมันแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันเห็นแล้วมันเห็นโทษแห่งความโกรธนั่นแล้วอนี่เป็นอุบายละกิเลสนะอ่ถ้าถ้ากิเลสอย่างนี้มันไม่มีลนะพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้คนเราภาคเพียรสร้างบุญกุศลภาคเพียรพยายามอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นที่เราทำความดีต่างๆเหล่านี้นะ อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมาวันนี้ก็เพื่อที่จะค้นดูกิเลสอันม์หมักหมมอยู่ในใจให้พบเมื่อพบแล้วก็ละมันอย่างว่านั่นเนี่ยเมื่อเขาด่ามากโกรธขึ้นมาในใจเออนี่แหละเราเห็นหน้าของกิเลสแล้วอย่างนี้นะเราจะไม่ตามมันเอาไม่โกรธไม่ด่าตอบวันนี้อดเอาอก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เพียรละกิเลส <c oughs> บวชเข้ามาก็ดีหรือว่าไม่บวชก็ตามแหละแล้วอยู่ไปแล้วจะไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในตัวเสียเลยอย่างนี้ถึงจะอยู่เป็นสุขสบายได้ไม่ต้องได้รบกับความชั่วเลยอย่างนี้นะไม่มีในโลกอันนี้นะผู <c oughs> ้ดใดเกิดมาแล้วมันก็มีกิเลสติดตามมา เมื่อกิเลสมันได้เชื่อแล้วมันก็ลุกโพลงขึ้นเผาลนกายใจนี่ให้เดือดร้อนไปผู้มีปัญญาผู้ปฏิบัติธรรมนี่เมื่อเห็นว่าตนเผลอละสร้างกิเลส ข, ขึ้นในใจแล้วอย่างนี้เวลาใดแล้วก็กรีบกําหนดละมันทําความเพียรละมันไปมันก็มันก็นกบำบางไปสิวะนี้นะเพราะตนไม่สะสมเอามันไว้ไม่ยึดเอามันไว้ ถ้าหากว่าตนมีสติแ ก, ก่กล้ามีสัมปชัญญะกำลังแข็งแรงดีอย่างนี้แล้วกิเลสมันก็ไม่ได้ทันได้เกิดมากพอเรื่องไม่ดีต่างๆกระ ท, ทั่งมามันรู้ตัวทันว่านั่นคือคือความชั่วอย่าไปสร้างมันขึ้นมาพอรู้ตัวอย่างนั้นแล้วก็กำหนดละมันทันทีเลยความโกรธมันก็ไม่ทันได้เกิด คืได้ใจอย่างรุนแรงนะมันก็เบาลงไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ตัดวัฏฏะโอนอันนี้ให้น้อยให้สั้นลงไปโดยลาดับอ่ะก็เมื่อละความโลภภาคเพียรพยายามละความโลภโดยการให้ทานไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่ะภาคเพียรละความโกรธโดยการเจริญเมตตากรุณา ด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปก็ดีเอาภาคเกียนพยายามละความหลงด้วยการภาวนาพิจารณาเห็นธาตุสี่ขันหานี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลื่อยไปอย่างนี้แลจึงได้ชื่อว่าเป็นการภาคเกียนพยายามละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจจนกว่ามันจะหมดสิ้นไป ดังสแสดงมา